ตอนนี้ก็เกือบปีสามพุกโยมคงยังง่วงอะ่ะแต่ตอนนี้หายง่วงแน่เลยเพราะฝนตกเมื่อกี้นี้ตกแรงด้วยอธมาก็พูดเป็นคนสุดท้ายแป๊บดเดียวเดี๋ยวก็วันใหม่แล้วกิจกรรมคือก็จะลุล่วงไปได้วยดีอธนาคิดอยู่หลายวันแนละ้วจะพูดเรื่องอะไรคิดไม่ออกมาคิดออกเมื่อวานเองว่าจะพูดเรื่องอะไรมันเหมือนกับโคโคอาเนีะ่ะพอดีคิดไม่ออกก็เะจะพูดเรื่องอะไรเหมาะกับงานถูกราเทสะมันมีเรื่องหลวงพ่อเขียนป่วอยู่ไง ก็เลยนึกถึงหลวงพ่อเขียนน่ะก็เอาธรรมะของหลวงพ่อบางบางส่วนมาเล่าก็แล้วกันเมื่อคู่อาจารย์ตุ้มก็ได้พูดไปแล้วเรื่องความคิดที่มีอยู่2ประเภทคือตั้งใจคิดแล้วความคิดอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ได้ตั้งใจคิดความคิดที่ตั้งใจคิดเนี่ยจะไม่สร้างปัญหาคือจชนะคิดแต่ที่สร้างปัญหาเราก็คือตัวความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดหรือหลวงพ่อเขียนใช้คำว่าลักคิดตัวลักคิดเนี่ยหลวงพ่อบอกเป็นจําเลยหมายเล่มหนึ่งเลยเพราะมันเถื่อน มันสกรปรกแล้วมันก็สร้างปัญหายกตัว อ, อ, อย่างให้ฟังสมัยก่อนสมเด็จพระอันาร์โตพลังสีได้เทคคู่กับพระพิโมนธรรมแห่งวัดพระเชตุพลเทธรรมารคู่พระพิโมนธรรมก็ตั้งประเด็นขึ้นว่าโทโศเป็นกิเลสสำคัญนำพาให้เจ้าของต้องเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเสียพี่เสียน้องเสียที่เสียนา เสียเหลี่ยมเสียแต้มใครตกอยู่แล้วแต่อหนาโทโสจะต้องเป็นทุกข์พอให้โทษยิ่งนักแล้วเอ่ยกับหลวงพ่อโตซึ่งมีสัมมศาตา์สูงกว่าเลยถามว่าโทโสเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดที่ตรงไหนขอให้แก้ให้ขาวครับหลวงพ่อโตก็แก้งหลับแถมโกลนเสียงดังด้วยพระพิมลรมถาดต้องหลายรอบชักไม่พอใจแล้ว ยิงใช้เสียงดังตวาดขึ้นว่าถามไม่ตอบแก้งหลับในายสมเร็จโตตอนนี้แก้งตื่นเมื่อกี้แก้งหลับตื่นขึ้นมาก็ด่าเลยไอ้เป็ดไอห้ห่าไอ้กากไอิถึกกวนคนหลับเจ้าคุณถึกได้ยินดังนั้นมโ oh หมากลืมสติลืมตัวตอนนี้ก็เลยหยิบกระโถนดินเผาอะ่ะเฟี่ยงไปที่หลวงพ่อโตแต่ไม่โดนนะไปโดนเสาแตกรังโพ สร้างความตกตะลึงให้กับญาติโยมเต็มศาลาที่มาฟังธรรมหลวงพ่อโตท่านก็นิ่งสงบแล้วเอ่ยขึ้นว่าโทโสโอหังเกิดขึ้นเมื่ออนิถารมตาเห็นรูปที่ไม่ถูกใจเสียงที่ไม่น่าฟังกลิ่นที่ไม่น่าดมรสที่ไม่น่ากินสัมผัสที่ไม่สบายความคิดที่ไม่ถูกใจมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อไม่สำรวมระวังจึงตัดออกมาข้างนอกให้คนรู้ว่าเขาโกรอย่างเช่นเจ้าคุนถึกเป็นต้น mm hmm. เมื่อเขาชมท่านก็ดีใจยินดีเวลาเขาด่าก็โกรธแต่โทรโสศก็ไม่ยำน่ากดขี่เจ้าของได้เลยถ้าเจ้าของไม่เผอสติอย่างเช่นเจ้าคุนถึกเป็นต้นพระคันลืมสติจึงเป็นโพร พอถูกโทโสครอบงำอันนี้ถ้านยกตัวอย่างพ่าโทโสเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเพราะว่าอั น, นิี้ถา่าลมเกิดทางตาทั้งหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและใจพอขาดสติเนี่ยมันก็เผลอทําอะไรที่น่าเกียดออกมาได้พอไม่มีสตินี่เองนั้นเราก็ต้องระวังมีสํำรักสง์แห่งหนึ่งที่ประเทศจีนเป็นสํานักเซนที่พาอยู่ด้วยกันสองรูปพะพี่พาน้องพะพี่เนี่ยเป็น คนที่ฉลาดมีปัญญาส่วนพระน้องมีตาเดียววันหนึ่งก็มีพระอรุกระมาขอพักตามกฎของสนักเซนถ้าพระอุกระจะพักได้เนี่ยจะต้องโต้ธรรมะชนะพระเจ้าบ้านซะก่อนจึงมีสิทธิ์ที่จะพักพระผู้พี่ก็อยากให้พระอรุกระพักจึงให้น้องชายเนี่ยซึ่งโง่เขาวบัญญาไปโต้ธรรมะด้วยโดยตั้งกติกาให้โต้เงียบทั้งสองคนจึงไปหาที่เหมาะสมแล้วก็โต้ธรรมะกันพักหนึ่ง พระขรรกาศก็มากราบลาบอกน้องท่านเก่งผมแพ้อย่างลาบข้าขอลาไปก่อนพระผู้พี่ก็งงเอ๊ะน้องชายเป็นคนโง่เข่าชนะได้ยังไงจึงถามพระขรรกาก็เอ่ยคิดว่าผมเนี่ยยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วหมายถึงพระพุทธน้องของอาจารย์ก็ยกนิ้วขึ้นมาสองนิ้วหมายถึงว่าพระพุทธต้องมีพระธรรมด้วยผมก็เลยยกขึ้นมา3มนิ้วมีพระพุทธพระธรรมต้องมีพระสงฆ์น้องของท่าน ภูกำบันขึ้นหมายความว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นพระน้าตายคือหนึ่งเดียวผมเลยรู้สึกอึ้งในปัญญาของน้องอาจารย์จึงยอมแพ้รับคาบาผมจะไปหาที่พักที่อื่นแล้วแล้วก็กลับลาไปผ่านไปสักพักหนึ่งพระตาเดียวก็เดินกระหืด ก, กระหอบมายังรวดเร็วเลยแล้วถามไหนมันไปไหนละแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีะพระผู้พี่บอกอ้าวชนะแล้วยังถามหาเขาทำไมไหนผมผู้สรัทธเห็นว่าเป็นพระ เขาดุกะให้เกียรติมันยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันหมายความว่าผมเนี่ยมีตาเดียวมีตาข้างเดียวผมยกนิ้วขึ้นมาสองนิ้วหมาย ว, ามว่าคุณได้โชคดีที่มีสองตามันยังยกนิ้วขึ้นมาสมนิ้วหมายความว่าเราสองคนรวมกันเป็นสามตาผมยกกําปั้นขึ้นมาจะขอตะบันหน้าเท่าน่อยมันก็รีบออกมาเลยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยขอโชคกันทีเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดนะว่ า, าควาพิการของเราเนี่ย บางทีสุดตรงอย่างพระคดูกาศเนี่ยบ้าธรรมะมองอะไรเป็นธรรมะหมดมองโลกอะแง่ดีอันนี้ก็ไม่ค่อยดีหรอกมันอยู่แบบในโลกของความไม่จริงส่วนพระตาเดียวเนี่ยคิดแต่เรื่องลบคิดแต่เรื่องแต่เรื่องไม่ดีไงมองเรื่องผมด้วยตัวเองเราจะเจอคนแบบนี้ทั่วๆไปแหละตามวัดหรือข้างนอกก็ให้หลบหลีกบ้างก็แล้วกันมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงนะเกิดขึ้นจริงๆที่อำเภอชั ย, ยาสารส่งเล็กๆแห่งหนึ่ง มีพระพี่น้องอาศัยอยู่พระพี่เนี่ยเป็นพระที่มีปัญญาส่วนพระน้องเป็นพระที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยปัญญาแล้วก็ขาดแคลนความรักค่อนข้างที่เหงาอยู่มาวันหนึ่งก็มีพระกรลยามิตรมาเยี่ยมแล้วก็คุยนานผู้น้องเนี่ยรู้สึกอึดอัดพระอรุกะไม่ยอมไปแล้วีิคุยกับพี่แบบถูกคอไงคุยสับเพละจนในสุดพระน้องชายทนไม่ไหว ืเผลอติลืมตัวเดินเข้าไปตบพระครุ ก, กะแลหัวคว่าเลยพอได้ติขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทําอะไรไปเนี่ยรีบวิ่งไปหมผ้าศักดิสิิแล้วมากราบขอเข้ามาพระครุ ก, กะนี่คือเรื่องจริงผู้พูดเน่ยรู้จักทั้งสามค น, เ, นเล่าไปอุทาหรณ์ความผิดปรุงแต่งน่ากลัวแล้วก็จริงได้ถ้าเราเผลอสตินั้นเราต้องมาฝึกสกติกันเพื่อให้ไม่เผลอแบบเรื่องที่เล่าหลวงพ่อมเงคีศจะมีภาพลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งคือรอยยิ้มถ้าเราสังเกตรูปของท่านเนี่ย ถ้าจะยิ้มแบบธรรมชาติมากเลยในตาสงบเย็นใครเห็นก็อยากเข้าใกล้มีความสุขทางพระธรรมานึกถึงนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องยิ้มจากใจจริงเพราะคนทั่วไปเนี่ยยิ้มแบบแก้งแต่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจยิ้มหรอกเศรษฐีคนหนึ่งใกล้จะตายขณะที่จะตายเนี่ยก็เห็นโยบทูดเน่ปรากฏกายขึ้นจึงเอ่ยบากถามว่าจะพาไปไหนโยบทูต บอกว่าจะพาไปตลกเศรษฐีรู้สึกไม่พอใจบอกว่าตัวเองเนี่ยทําบุญทําทานมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสร้างโรงเรียนสร้างวัดบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆช่วยเด็กกพาพร้าอื่นอีกมากมายทําไมต้องตกลบด้วยยมทูตเอ่ยขึ้นว่าเอางี้ก็การถ้าเจ้าไม่พอใจเนี่ยข้าจะให้โอกาสเจ้าเจดวันให้เจ้าน่ยหารอยยิ้มจากใจจริงให้ได้สามครั้งแล้วข้าจะให้เจ้าไปสวรรค์เศรษฐีก็รับปาก พอเห็นว่ายิ้มจากใจจริง3าครั้งไม่จะหายากแต่อย่างไรรอยยิ้มแรกที่นึกถึงก็คือภรรยาสุดที่รักที่แต่งงานกันมา4 0กว่าปีไปถึงบ้านก็ซื้อเพชรมาให้เลยภรรยาก็ดีใจนะรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่เศรษฐีซื้อเพชรมาให้แล้วเสียงโยมมาทูกก็ซิดที่หูเศรษฐีบอกอันนี้ไม่ใช่ลอยยิ้มแบบใจจริงนะแค่ดีใจใเฉยที่ได้ของเศรษฐี ไปซื้อบ้านซื้อรถแล้วซื้ออะไรต่อมีอะไรอีกมากมายให้ภรรยาแต่ก็เหมือนเดิมอ่ะเธอก็ดีใจแต่ไม่ได้ยิ้มจากใจจริงจนเวลาผ่านไปสามวันจนเสร็จีเนี่ยเริ่มทอ้อแล้วเพราะว่าเหลือเวลาแค่สี่วันนั่นเองรอยิ้มแรกยังไม่ได้เลยวันนี้ตื่นเช้าก็เลยเข้าครัวทอดไข่ดาวทำกาแฟขนมปังต่างๆเนี่ยเพื่อจะกินร่วมกับภรรยา ภรยาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยหน้าตา ย, ยังไม่ไล้างเลยง่วงเหนียดแล้วก็รู้สึกตกใจที่สามีเนี่ยอยู่ๆมาทําอาหารให้เพราะบ้านเธอมีคนใช้กังหลายคนภรรยารู้สึกซาบซึ้งมากเลยนะและยิ้มแบบที่ไม่เคยยิ้มมาก่อนโยมทูตบอกเนี่ยยิ้มเจ้าได้รอยิ้มแรกแล้วเพราะว่าสิ่งที่ภรรยาต้องการเนี่ยคือความใส่ใจจากสามีเพราะเพราะว่าเศรษฐีเมื่อก่อนเคยยักจนไง พอตอนหลังรวยก็ไปกินอาหารข้าวนอกบ้างไม่เคยกินอาหารลูกกับภรร ย, ยาแบบนี้มาก่อนเลยจนทําให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นขาดความรักไนงะหลังจากได้รอยยิ้มแรกแล้วเศรษจีก็นึกถึงรอยยิ้มที่2นึกถึงหน้าลูกน้องคนสนิทที่บริษัทขึ้นมาถึงเรียกเขาพบและมอบตําแหน่งงานให้คือเลื่อนให้เป็นรองกรรมการผู้จัด ก, การใหญ่ที่เงินเดือน ลุงน้องคนสนิทดีใจคำนับแล้วคำนับอีกอะ่ะเศรษฐีสังเกตเมันก็ไม่ใช่ลอยยืมจากใจจริงนะมันแค่ดีใจธรรมดาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำไงผ่านไปจนถึงวันสุดท้ายเศรษฐีก็ยังไม่ได้รอยยืมจากใจจริงคนที่2เลยวันสุดท้ายก็เข้าบริ ษ, ษัทแล้วแล้วก็เรียกลูกน้องคนสนิทพบแล้วก็บอกให้ลูกน้องเนี่ยไปพักผ่อนสักเดือนหนึ่งแล้วก็ยื่นตัว๋วเครื่องบินให้หลายใบยเลยเพื่อพาครอบครัวลูกเมียไปพักผ่อนเท่านั้นแหละลูกน้องนี่ สีหน้าเปลี่ยนเลยค่อยๆยิ้มแบบผ่อนคลายยิ้มแบบใจจริงจนได้เพราะว่าทํางานหนักมาตลอดแล้วก็ไม่เคยพาลูกนียไปเที่ยวที่ไหนเลยไนงะพอเสตีให้ไปพักผ่อนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขแบบบอกไม่ถูกไงตอนนี้เสรตีก็ได้รอยิ้มสองอยิ้มแล้วจากใจจริงแต่ว่ารอยยิ้่สามเนี่ยเสตีจะหายที่ไหนเพราะวันเวลาใกล้หมดแล้วแกก็โปรงตกยอมรับความเป็นจริงแ ล, งแล้วโค้งตกระจริงออกไปเดินเล่นปกติเสรตีไปไหนก็จะนั่งรถ ขันใหญ่มีมีพนัก ง, งานขับรถให้มีแฟ้มเอกาสารเต็มไปหมดแต่ครั้งนี้นั่งรถเมย์ไปแต่งตัวธรรมดาธรรมดาเดินเล่นโดยแบบสบายๆอ่ะถือว่าชมเมืองครั้งสุดท้ายเดินไปสัพักหนึ่งก็เห็นเด็กเนี่ยร้องไห้อยู่ข้างถนนเออแกก็ไหนๆก็จะตายละจึงเข้าไปถามเด็กมาว่าหนูร้องไห้ทําไมเด็กก็บอกว่าพัดหลงจากพ่อแม่เศรษฐีก็เลยพาเด็กเนี่ยไปโรงพักแล้วก็ประสานงานติดต่อพ่อแม่ให้มารับผ่านไปสัพักใหญ่ พ่อแม่เด็กก็มาถึงโรงพักเนี่ยโอ้เจอลูกดีใจมากเลยกอดเป็นกลมเลยเศรษฐีมีความสุขอยู่บอกไม่ถูกนะโอ้โหแบบในชีวิตแกไม่เคยมีความสุขแบบนี้ไงแกก็ยิ้มแบบเต็มที่เลยสักพักหนึ่งโยมมาทูก็ปรากฏกายขึ้นบอกเจ้าได้รอยยิ้มสามค้างรบแล้วเศรษฐีก็งงรอยยิ้มคนที่สามคือใครโยมมาุ ก, ก็ให้ดูในกระจกอะเอากระจกให้เศรษฐีดูบอกเจ้าดีแหละยิ้มเอง ยิ้มยากใจจริงไงเสร็จทีก็เห็นในกระจกเด้โอโอ้โหเป็นรอยยิ้มของชายชาาที่บริสุทธิ์ไม่ใช่กรรมการผู้จัด ก, การใจร้ายใจยากแต่อย่างใดจึงรู้ว่ายิ้มอยากใจเกิดจากเราเองงั้นทุกคนถ้าเราบีรอยยิ้มเนี่ยเราก็ทำให้โลกมีความสุขนะถ้าเราหน้าบึง้งคนก็เครียดด้วยสังเกตคนที่ยิ้มเนี่ยหมาแมวก็อยากเล่นด้วยคนก็อยากเข้าใกล้ รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่หยิพิษไม่ภายอารมณ์ดีต่างกับคนที่เครียดมองโลกทั้งลบไม่ใครอยากเข้าใกล้ไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นคนที่ยิ้มโดยธรรมชาติยิ้มบ่อยๆจะมีความสุขกว่าคนที่ไม่ยิ้มอย่างตัวผามาเนี่ยเวลาลงเฟซบุ๊กก็จะนํำภาพของอาจารย์ปิศาจนี่ที่ยิ้มๆมาลงหรือไม่กรหมาแมวน่ารักหรือเด็กเวลาลงไปเนี่ยมันสื่อถึงความบริสุทธิ์ทําให้คนเขาเห็นแล้ว อ่านธรรมะแล้วก็หาธรรมะที่สอดคล้องอะ่ะเขาจะมาอ่านทันทีเลยนะแต่ถ้าเอาหน้าเทียงเที่ยงหรือหน้าที่ไม่เข้าเหตุการณ์เนี่ยคนจะไม่ค่อยมาอ่านเพราะฉะนั้นเรื่องยิ้มเลยเป็นเรื่องใหญ่หลวงพ่อเขียนมีเสน่หเพราะยิ้มรูปที่เอามาคัดลงเฟซ ส, ส่วนมากจะเป็นรูปที่ยิ้มคนเห็นหลวงพ่อก็มีความสุขล้วบางทีมาต้องพูดธรรมะด้วยซ้ำทาให้ดูอยู่ให้เห็นสงบคนเห็นก็อยากเข้าใกล้สัมผัสความเย็นจากหลวงพ่อแต่เราจะยิ้มจากใจจริง แล้วก็ต้องฝึกเพราะถ้าเราไมฝึกเนี่ยมันก็ยิ้มยากอยู่เหมือนกันนะถ้าฝืนเพราะนิสัยคนเราจะสร้างเหตุต่างกันบางคนก็อารมณ์ดีบางคนก็อารมณ์บูดคนที่อารมณ์ดีง่ายเนี่ยจะโกรธยากคนที่อารมณ์บูดง่ายเนี่ยก็โกรธง่ายอะเจออะไรขัดใจก็โกรธหมดแหละเรื่องอะไรก็โกรธดินฟ้ากาดยุงกัดก็โกรธหรือเจออะไรไม่ถูกใจฝ่าหัวตาโกรธหมดแหละจะต่างคนที่อารมณ์ดียังธรรมะที่เรามาฝึกกันเนี่ยก็เพื่อจะอยู่กับความทุกข์ให้ได้ ไม่เจออยู่กับสิ่งที่ชอบอย่างเดียวอยู่กับอนิถาลมให้ได้เพราะคนเราเนี่ยจะอยู่อนิถาลมไงคือรักสุขเกลียดทุกข์พอลมที่ชอบโดดใส่เลยลมที่เกลียก็ผลักออกพราะเราแล้วเจอคนที่เราชอบชอบหน้าแล้วก็ไม่ชอบขี้หน้าแต่ละวันเนี่ยเราก็เจอพวกเฉยเฉยพวกเฉยเฉยเยอะมากที่ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับเรามาแบบเจอกันแล้วเฉยเธรรมดาธรรมดาไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่รักเราแล้วก็ไม่เกลียดเราแต่พวกที่เหม็นหน้าเราก็มีเราต้องเจอ หรือพวกที่ชอบเราก็มีเห็นแล้วอยากเข้ามาคุยด้วยคุยแล้วสนุกอะไรเงี้ยวัน ว, น, วนหนึ่งเราจะเจอคนสามประเภทนี้แหละชอบไม่ชอบเฉยเฉยถ้าเราอยากมีความสุขเราก็ต้องใช้ทํามะให้เป็นที่จังหวัดอุดอรเนี่ยมีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งท่านเป็นคนที่มีความสุขท่านไม่ทุกข์เลยเจอเหตุการณ์อะไรท่านพานว่าดีเนาะวันหนึ่งลูกศิษย์นิมนต์ท่านไปฉันเพลที่บ้านลูกศิษย์รถเสียต้องซ่อมรถจึงมารับช้าหลวงพ่อ รอตั้งนานยังไม่มาก็เ อ, อ่ยขึ้นว่าก็ดีเนาะฉันอาหารเราก็ก็ดีเนะาะตักอาหารได้สักสองช้อนมนะั้งเข้าปากลูกสิษก็มาถึงแล้วก็เร่งให้หลวงพ่อต้องรีบไปหลวงพ่อก็วางช้อนลงก็ดีเนาะไปฉันบ้านงานเนาะนั่งรถไปนั่งรถไปสักพักหนึ่งรถก็เสียไอ้คนขับก็ลงไปซ่อมอะ่ะหลวงพออ่อเกิดขึ้นว่าก็ดีเนาะได้ชมอยู่ข้างทางเนาะคนขับซ่อมยังไม่ติดเลย สักพักหนึ่งก็มาเรียกหลวงพ่อไปช่วยเข็นหลวงพ่อตอนนั้นกแก่มากแล้วก็ลงไปช่วยเข็นจู่รถติดแหะหลวงพ่อก็เอ่ยคิดว่าก็ดีเนาะได้ออกร่างกายเนาะเสียเวลาไปอันเยอะไปถึงบ้านงานเลยเลยเวลาฉันเทนหลวงพ่อเลยอดทั้งฉันเช้าและฉันเทนไปถึงเจ้าภาคก็นิมนต์ขึ้ธรรมะพู้ธรมะเลยหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทําหน้าที่เลยเนาะระหว่างที่พู้ธ ร, รมะลูกศรริษย์ก็นํากาแฟมาถวายแต่ด้วยความรีบร้อน ยหยิบเกลือใส่แทนน้ำตาลเพราะมันข า, ขาวๆใช้กันอะหลวงพอ่อทานไปได้คำหนึ่งก็ดีเนาะแล้วก็วางลูกศิษย์เห็นหลวงพ่อวางกาแฟเหลือก็มาขอทานบ้างเพราะการทานของเหลือจากครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นมงคลไงทานไปได้คำหนึ่งก็พ้นพู้ไปเลยคินมิตปีอะหลวงพอ่อทานไปได้ไงหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มไม่ว่าอะไรแต่เหตุการณ์ที่สร้างชื่อหลวงพ่อคืออยู่ครั้งหนึ่งอิจฉาปน โจมันสืบตัวแล้วว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นเจ้าคุณด้วยนะคงมีทรัพย์สมบัติมากมันก็เลยหาโอกาสเหมาะมาจนวันหนึ่งมาได้โอกาสมาถึงก็ข่มขู่เลยหลวงพ่อมีสมบัติเถลายไมห้หมดหลวงพ่อก็เอ่ยคิดว่าปล้นก็ดีเนาะแบบยิ้มยิ้มแบบโดยที่ว่าไม่ตกใจกลัวโจมเลยโจมมันก็แปลกใจฉันเนี่ยไม่ได้แค่จะปล้นนะต้องฆ่าหลวงพ่อเพือปิดปากด้วยหลวงพ่อก็เอ่ยคิดว่าฆ่าก็ดีเนาะ จนมบอกฆ่าถา้าแพงดีเนาะก็ฆ่าเนี่ยแก่มากแล้วอยู่ไปก็ต้องดูแลรักษาร่างกายที่ซุดโสมลงทุกวันเองฆ่าฆ่าก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องคอยดูแลล่างกายนี้ให้มันทุกทรมานต่อไปโจรได้ฟังรู้สึกใจอ่อนอย่างนั้นฉันไม่ฆ่าหลวงพ่อก็ก็ได้หลวงพ่อเออว่าไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจรมันก็เออหลวงพ่อฆ่าก็ดีเนาะไม่ฆ่าดีเนาะจะเอาไงกัน หลวงพ่อเอกคิดว่าการฆ่ามันเป็นบาปถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องโดนตารวจตามจับเผลอๆโดอนตำรวจฆ่าตายตายไปเองต้องตกแล้วลกในผุดไม่ได้เกิดเองแม่ฆ่าฆ่าเน่ยจริงดีเนาะโจรได้ยดิงดังนั้นก็เลยรู้สึกสํานึกผิดจึงไม่ปล้นแล้วก็ไม่ฆ่าจากไปมือเปล่าตอนหลังกลับตัวกับใจเป็นคนดีคือหลวงพ่อดีนอเนี่ไม่หวั่นไหวโลกธรรมนะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าก็ดีนอหมดมีอยู่ครั้งหนึ่ง ในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยเสด็จไปวัดชีมาวาดที่ท่านอยู่ที่อุดรเน่ยหลวงพ่อพูดไม่เก่งนะเออแต่ดีเนาะจนชาวบ้านเขากลัวหลวงพ่อจะไปเอ่ยดีเกาะในหลวงไงก็เลยมาบอกหลวงพ่อเวลาในหลวงมาให้ยิ้มยิ้มนะอย่าพูดอะไรหลวงพ่อเสด็จมาในหลวงเสด็จมาถึงก็ผิดสังเกตเอ๊ะหลวงพ่อไปยิ้มอย่างเดียวคงฟังภาษากลางไม่รู้เรื่องมั้งจึงให้ข้าราชบริพารเนี่ยที่เป็นพอดิสารมาคุยกับหลวงพ่อคําแรกที่หลวงพ่อเอ่ยก็ เกิดขึ้นว่าดีเนาะหลวงดีเนาะมหาบาพิษเขาไม่ให้เฮาเ ว, าว้วขัวเฮาเวาวประมว่วนอันนี้เป็นที่มาของของฉายาดีเนาะเพราะในหลวงก็ตั้งให้เป็นเจ้าคุณแล้วก็ตั้งฉายาให้ว่าพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุธานธรรมวาทีคือถ้าเรามองโลกแบบหลวงพราอดีเนาะเนี่ยเราก็มีความสุขรอลดนานก็ดีเนาะถูกใครดินทาก็ดีเนาะถูกด่าก็ดีเนาะ เจออะไรที่ไม่ถูกใจก็ดีเนาะฝนตกฟังธรรมไม่รู้เรื่องก็ดีเนาะฝนไม่ตกฟังธรรมสบายหูก็ดีเนาะสิ่งอย่างเป็นอาจารย์สอนธรรมเราหมดธรรมะอยู่รอบตัวถนะ้าคนมีปัญญานะมันจะเป็นต้นไม้หมาแมวหรือคนที่เราไม่ชอบหน้าจะสอนธรรมะเราทุกคนเป็นอาจารย์เราเพราะถ้าเกิดเราไม่เรียนธรรมะจากธรรมชาติหรือคนรอบข้างเนี่ยธรรมะเราก็ไม่ก้าวหน้าเราก็จะรักสูขเกียรติทุก เราก็จะไมีแต่อารมณ์เราอารมณ์ที่ไม่ชอบอะ่ะอย่างหลวงพ่อเขียนท่านมีธรรมะดีๆหลายๆเรื่องนะอย่างอย่าเอาถูกเอาผิดอย่าดวลรับอย่าดวไปฏิเสธรู้ซื่อๆเห็นแล้วไม่เป็นไรกับอะไรถ้าเราเอามาใช้เป็นเนี่ยก็มีประโยชน์สามารถใช้กับชีวิตประจำวันเราได้เพราะคนเรารู้ไม่ค่อยซื้ออะไรหรอกพอรู้ปุ๊บก็คิดปรุงแต่งต่อแหละแต่ถ้าเรามีสติเร็วมันก็ตัดนะสมมุติเราเกลียด น, นึกถึงคนที่เหม็นขี้หน้าคี้เสื่อปุ๊บมันตัดเลยนะแต่ถ้าเราไม่มีสติเอาคิดไปโอ้โห คนนี้มันทํางี้นะมันปรุงแต่งต่อยมเชื่อมหมความคิดเนี่ยถามว่าเราโกรธขึ้นไปเองได้โดยไม่ต้องมีใครมาด่าวเลยมันคิดเองโกรธเองแล้วแค้นเองหรือคิดถึงคนรักมันอารมณ์ดีเองได้สุขเองได้นะคิดที่คงเกลียดมันก็แค้นได้เพราะอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันมาเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเองนั่นแหละอย่างเมื่อก่อนอนะรามาเคยคุยกับพระอยู่ท่านหนึ่งพระท่านนี้ยชอบมาคุยธรรมะกับราม า, ก า, มาแกเนี่ยเกลียดอาจารย์โน้นมากเลย โยว่าจะงงไหมอาจารย์โนตไปทาไปเกียดได้ไงอาจารย์โนตเนี่ยเป็นพาที่น่ารักเป็นกัลยาณมิตรแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งบ้างที่ท่านเนี่ยเข้าใจผิดไงอาจารย์โนตไปปองผมให้แกแล้วอาจจะทํามิโกนหวัดเสียวอะไรนะอาจจะผิดพลาดเทคนิคไงแกเลยบอกว่าอาจารย์โนตเนี่ยแกล้งแกแกปุ้งจต่งตัวเองนะแกคุยออกมาดีๆคุยธรรมะสารพัดอารมณ์ดีหมดเลยพอบอกว่าคุณถึงอาจารย์โนตปุ๊บเคยคึ้นเลยนะโอ้โหโมโหมากเลยโกรธมากเลยอาจารย์โนตเนี่ยเด็กรุ่นลูกผมเนี่ยผมใ่รุ่นพ่อนะ มาทำงี้กับผมได้งไงเรา แ, แก้ตัวกรธเราอีกบอกอาจารย์โนต้ตไม่ใช่ไม่ใช่คนแบบนั้นหลวพี่เข้าใจผิดแล้วอธิมาก็เลยบอกว่ารู้ปล่าเมื่อกี้เนี่ยลมดีเนี่ยไอ้ฟ้าโกรธอย่างไหนเนี่ยเอาแกรู้สึกตัวขึ้นมานทีแล้วเอ๊ะผมกดไปได้ยังไงเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวรักคิดเนี่ยแหละบางทีธรรมะที่เราพูดเนี่ยอธิมากต้องมีตัวอย่างจริงเพราะถ้าไม่มีตัวอย่างจริงยมนึกไม่ออกอะ่ะมาพูดแบบลอยๆอาจารย์โนต้ตกับอธิมาเป็นแกรมมิการพูดได้ด้วยไรหรอเพราะว่ามันเป็นประโยชน์บางทีีีคคคคนนนนน่่่่รัักกกก็มกนะมมเเลยะไไชวาสอป คนอาจจะอาจจะรักทักร้อยคนเกลียดรัก2คนอะไรเงี้ยอาจารย์เปสายเหมือนกันมีคนเกลียดเหมือนกันอะเพราะว่าตัวธรรมเนี่ยเป็นคนไปบล็อกคนที่เกลียดหลายคนแล้วมันาด่าอาจารย์แต่ว่าพวกยบายอย่ารักอาจารย์อาจารย์อย่าไปรู้เรื่องอะไรหรอกเกลียดเรื่องอะไรแต่คนมันหาเรื่องเกลียดอะคนเราอย่าหวังว่าจะมีคนรักหมดทันทีขึ้ไหนก็มีคนเกลียดแล้วเราก็ต้องยอมต้องรู้จักโลกธรรมใช้ชีวิตให้เป็นอะไม่มีใครรักเราทุกคนหรอกแม้แต่หมาแต่แมวก็เหมือนกันหมาแมวบางทีเกลียดเราก็มีเลยแต่บางตัวก็รักไม่ถูกตาอันนี้คนก็เหมือน เห็นเห็นแล้วเห็นหน้าก็เหมนขี้หน้าแล้วแต่บางคนเห็นแล้วถูกชะตายนะเหมือนรู้จักกันมาโอ้โหแต่ดีไกลโพ้นอะไรก็ดีจนหมดแหละคนที่ถูกจะตาจะทําอะไรมันก็ราบรื่นชอบพูดอะไรก็ดีหมดแต่คนนี้เหมืนขี้หน้าเนี่ยพูดอะไรก็ไม่ดีหมดแหะขัดหูขัดตาขัดใจนั่นเราต้องระวังนะอย่าให้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยครอบงามเราโธโสมมีอานาจครอบงามเราธรรมะครูบาอาจารย์ใช้เป็นประโยชน์สามารถออกจากกองทุกได้เกิดปัญญาได้พูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอญาตโยมมีความสุข ความเจรนะิญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอรูโบธาบุญด้วยที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้เอวัง